ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปศรีประทุมกำลังนำเสนอสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตก็สืบต่อกันมาวันก่อนได้พูดถึงเรื่องเวทนาก็ในพระบาลีนิทรงแสดงเวทนาเก้า แต่ก็อย่างที่บอกเวทนาก้าเนี่ยจริงๆก็ดูยากเพราะในภาคศึกษาเนี่ยก็ฟังจะก่อนมารับสั่งว่าอย่างไงบ้างแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยก็ดูเวทนาเท่าที่ปรากฏถ้าเราแยกยังไม่ออกก็เอาสุขทุกข์อุทุ ก, ก็มาสุขไปก่อนแล้วก็ค่อยๆว่ามันก็เหมือนขึ้นบันไดนะี่ยค่อยๆขึ้นไปเท่าที่ขึ้นไปได้ รับสังว่าภิกษุในธรรมอินทร์นี้สเสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราสเสวยสุขเวทนาอยู่อันนี้หนึ่งนะสวายเสวยทุกเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราสเสวยทุกเวทนาอยู่เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอนทุกขมสุขเวทนาหรือเสวย เวทนามีอเสวยสุขเวทนามีอามิตรก็เรียกว่าอามิตรสุขก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอมิตรหรือเสวยสุขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาไม่มีอมิตรหรือเสวยทุกเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกเวทนามีอามิตร หรือเสวยทุกเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าโรสเสวยทุกเวทนาไม่มีอมิตรแล้วก็หรือเสวยอทุกกรรมาสุกเวทนาคือหมายความหมายสุกทุกอทุกกรมาสุกนี่มันถูกย่อยออกไปเป็นสามคือทุกล้วนลวนสุขเล้ ว, ลวนนะทุกกรมาสุกล้วนหรือว่าเจืออมิตรหรือไม่เจืออมิตรรวมแล้วก็เป็นเก้าทีนี้พอถึงจุดหนึ่ง ก็หมายความมาเราเห็นได้จริงๆมีความชัดเจนจริงๆว่าอันี้เป็นสุขจริงทุกจริงอทุกกรรมสุขจริงๆและเราจะเห็นนะฮะว่ามันที่จริงมาเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยมันเป็นเป็นเรื่องที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยเข้ามันสุขทุกขเป็นเรื่องเราว่าเองสุขทุกมันก็เกิดมาจากการกําหนดเรา ถ้าเรากำหนดด้วยความชอบมันก็เป็นสุขเรารู้สึกว่าชอบเราก็เป็นสุขรู้สึกว่าไม่ชอบก็เป็นทุกข์ความรู้สึกไม่เด่นชัดเอาไปว่าชอบหรือไม่ชอบก็เป็นทุกข์กามสุขทีนี้สิ่งตัวมันจริงๆ่ะมันเป็นกลางกลางเวทนาเนี่ยเป็นกลางๆงนะฮะ เราใจร้อสัญญาเองก็เป็นกลางกางคือมันไม่จะดีช่ชั่วแต่มันอาจจะเสวยส่วนดีส่วนชั่วได้มันจะเป็นผลให้เกิดความดีความชั่วได้หรือเป็นเหตุให้เกิดความดีความชั่วได้เช่นเราคิดจินตนาการด้วยความเครืบิบเคริ้มเหมือนเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันที่ทศ ก, กัณฐ์แกจินตนาการเครลิบเคลิ้มอยากได้นางสีดามาครอบครองเนี่ยแกก็เกิด ก็ได้เกิดสุขล่วงหน้าเกิดเพลิดเพลินเกิดนั่งหลอกตัวเองล่วงหน้าแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เก็ดประกอบปัญหาเยอะเลยแต่นั้นอย่างอย่างที่ตั้งข้อสังเกตว่าการทำความเข้าใจกับธรรมะให้นึกถึงให้นึกถึงเจตนาให้นึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่นการรักษาศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าถามว่าศี์มันลดอะไรมันก็แล้วแต่เช่นปานาธิบาตบางการณีก็ลดโทสะบางกรณีก็ลดโลภะแต่ก็ไม่ใช่คือถ้า ง, งดเว้นนะฮะมันจะลดโลภะหรือลดโทสกะก็แล้วแต่เทวการจับปลาไปขายเนี่ยมันเป็นปานาธิบาต ท, ที่เกิดขึ้นมาจากโลภะเมื่อรงงดเว้นมันก็แสดงว่าลดโลภะ หรือบางทีโกรธคนโกรธสัมากตนะ้องการจะทําลายแล้วไปฆ่าเขาก็แสดงว่ามันเกิดด้วยโทสะทีนี้เจตเจตนาที่มันเกิดด้วยโทสะมันก็แสดงว่าโง่มันไม่โมห์อยู่ก็นึกกลับมาที่ตัวคิดจักใจตัวเองด้วยนะคืออ่านแล้วก็คิดกลับเข้ามาหาตัวทุกครั้งที่อ่านทุกครั้งที่ฟังคิดกลับเข้าม า, าตัวสร้างสถานาการณ์สมมติขึ้น แล้วตรงนี้เราจะเกิดความขัดใจพอข้าใจมันก็อยู่กระจายเราเกิดไม่ต้องท่องแต่เราจะพบอย่างหนึ่งนะฮะอามาในตรวจวิทยานิพนธ์มาเยอะก็ปรากฏว่าเราใช้แนวความจำแล้วคัดลอกกันเป็นต่อเป็นทอดมานะฮะคือว่าคนที่ทำวิทยานิพนธ์เองก็ไม่ค่อยได้แสดงความคิดความเห็นอะไร นานจะเจอสักครั้งหนึ่งแต่ก็สรุปว่ามันตรงกันโดยรูปแบบที่จริงนี่ให้ตรงในเชิงเนื้อหาแต่จะหลากหลายในเชิงรูปแบบมันจะเกิดเป็นความสวยงามแต่ว่าตรงกันกันหมดมันก็แข็งทื่อเลยทำธรรมะมันไม่เต้นเต้นไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ธรรมะก็ เ, เคลื่อนไหวได้นะ ปรากฏที่จิตเราเห็นความเคลื่อนไหวชัดเพราะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวทนาเราจะเห็นว่าเ้าเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปก็ตามเหตุปัจจัยเป็นสุขเป็นทุกข์มันมันเกิดขึ้นมันจะเหตุปัจจัยทั้งนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตกําหนดจิตเราไปกําหนดในขณะที่คนอื่นเห็นแล้วสุขเราอาจจะเห็นแล้วทุกข์เราอาจจะเฉยๆเห็นว่ามันไม่มีอยู่อย่างสากลมันมีด้วยจิต ด้วยิตที่เราปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเองตัวมันน่ะมันก็สาสตร์วาเวทนาก็เกิดเยอะแยะเวลาเกิดเป็คนอื่นทําไมเราเราเร า, เราไม่ทุกข์ไม่สุขก็เพราะเราไม่เอาอัตตาเข้าไปรับไงเราไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์แต่เราลองเอาของเราเข้าไปจับดูเถญาติป่วยพี่ป่วยน้องป่วย ญนะาติถูกค่าถูกเจ็บหรือว่าญาติเกิดประสบความสําเร็จมีความร่ารวยสอบไล่ได้แล้วเกิดเพราะญาติเราสุขเวทนาก็เกิดทุกเวทนาก็เกิดเกิดเพราะเราเอาเราเข้าไปปุมากไว้ทีนี้ไอ้จากตรงเนี้ยที่ ท, ที่ที่ทำให้ถึงจุดหนึ่งเราเราอุเบกขาไม่ได้เพราะเราแยกเราไม่ได้เราออกมาจากจากคนนั้นไม่ได้ เพาะนเบื้ขาเราต้องมองที่กรรมเราแยกไม่ออกพอมองพอมองที่คนแล้วเนะี่ยอย่าลืมว่าคนเรามีรักมีชังมีความรู้สึกส่วนตัวเยอะกับคนเนี่ยแต่เรามองที่กรรมแล้วเนี่ยจิตมันจะอิสระอย่าไปก็ยกบประย่างเหมือนกับครูตรวจข้อสอบอาจารย์ตรวจข้อสอบเนี่ยเราก็ไม่รู้ใครตรวจะไไม่รู้ว่าใครตอบ เราดูจีกรรมเขาทำให้การตัดสินมินิจัยเนี่ยมันมันได้คือว่าถูกก็ถูกผิดก็ผิดเลยเพราะว่ามากวัดเนี่ยมันก็คือวิชาการในเรื่องเหล่านั้นก็ไม่ใช่เราอีกอะไม่ใช่ความรู้สึกของเรามันเป็นมากวัดก็อย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่ใบออกบปรุงไบปริวอะไรเนี่ย คือที่จริงก็ไปเหตุการณ์นานแล้วนะแล้วมาอ่านเยอะมากเอกสารพวกเนี้ยเขาส่งมาให้อ่านเราก็นึกไม่ออกว่าคิดขึ้นมาได้อย่างไงอะไรคือมาตรฐานในการกําหนดเป็นผิดเป็นถกูกอ่ะมันไม่มีมาตรฐานเลยสักเรื่องเดียวนะฮะเอาวินัยไปจับมันก็ไม่มีวินัยไปจับเอากฎหมายไปจับมันก็ไม่มีเอาจารียไปจับมันก็ไม่มี แต่ก็แปลกคือทําให้เราฟังแล้วราสลดเราเสียดายเราสลดรหดหูใจว่าคนเราเนี่ยคิดได้อย่างนี้เหรอคิดได้ขนาดเนี้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามีความคิดได้ขนาดนี้ปัญหาขนาดนี้ยังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่ า, างไงเป็นเรื่องที่น่าสลดสงสารเสียดายนะ สลดสงสารเสียได้ก็ไม่รู้จะว่าย่งไรผลปนุตายผลกษัตริย์โลกทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมเพื่อเวทนาในที่สุดมันก็มองแบบกายนฮะเพราะกายมันก็เหมือนกันมันกลุ่มกันมัก็กลุบกันเวทนามันก็เกาะกลุบกันตีแกเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงปลนปื้มอะไรล่ะปลนปลจิต ็นอาหารเครื่องจิตปุลปจิตที่ทำให้เรารู้สึกรักสังคนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความจําของเราคือสัญญากับเวทนาเนี่ยมันจึงจึงเป็นเขาเรียกว่าจิตสังขาขงรคือตัปุลปจิตให้มีท่าทีมีความรู้สึกต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งด้วยความพอใจไม่พอใจแล้วก็นำไปสู่สุขทุกข์แล้วก็ปรากฏเวทนาในแนต่างๆอย่างที่ว่า เพราะงั้นเราลสังเกตว่าเป็นที่แยกเป็นอามิตริรามิตร์เนี่ยก็หมายความว่าให้มองว่าไอเหตุปัจจัยที่เกิดเทธา น, นี้มันมาจากอะไรแล้วถ้าไม่มีตัวนั้นมันก็ไม่เกิดไม่เกิดเวทนาอย่างนี้ขึ้นมาแต่ทั้งหมดอย่างที่บอกนะเกิดขึ้นมาจากใจเรากำหนดใจมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นนะคือยุ่งสร้างปัญหาเยอะเลยก็รับสั่งว่า พิสุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้างคือคือเวทนาที่คนอื่นเสวยก็รอเสวยก็เรียกภายในภายนอกหรือเวทนาอย่างหนึ่งที่เรากำลังเสวยแล้วก็เวทนาที่เกิดต่อไปก็อยู่ในภายในเวทนากำลังเสวยก็เป็นภายนอกไป หรือว่าเวทนาที่เราเสวยก็เป็นภายในเวทนาคนอื่นเสวยก็เป็นภายนอกแต่ว่าสรุปแล้วคือการคือกระบวกนการเดียวกันอดีตอนาคตปัจจุบันเหมือนกันนะเพราะงั้นถ้าเรากลับไปที่พระเจ้าทรงสอนขายายให้แก่ปัญญาว่าธีทร า, าบในอนัตตลักกนัสสุเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าให้มองรอบหมดเลยเพราะอะไรพรใจมันฝ่ายคว่าไงใจแก่ฝ่ายคว้าเอาเวทนาตรงนี้ ไม่ดีจริงแต่เทพนาอื่นก็อาจจะดีเออเกิดเป็นมนุษย์เป็นทุกข์จริงแต่เกิดเป็นเทวดาจะเป็นสุขอ่ะแกก็คว้าเทวดาปรากดเป็นเทวดาเป็นทุกข์ขึ้นมาแกก็คว้าไปเรื่อยๆก็ยังมีนิทานเรื่องคือมาจำลําดับไม่ใค่ได้มันเป็นเยอะนะะคือมันเริ่มจากการเป็นหมาเนี่ยเป็นหมาก่อนแล้วก็ สามารถที่จะตั้งความปรับตานแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยยในสุดก็กลับมาเป็นมาคือเมื่อตัวเองเป็นอะไรแล้วรู้สึกว่าถูกรังแกถูกเสียเปรียบก็ขอเป็นอย่างอื่นที่สามารถทำลายฝ่ายตร ง, งข้ามได้ตั้ไปทํามาตัวหนึ่งตัวเองก็อยากจะเป็นหมูเป็นจอมปลวกก่อน เป็นจอมปลวกแล้วก็ปรากฏว่าจอมปลวกนี่ถูกหมูขุดพอเป็นช่องไปเยอะเลยโอ้ยเป็นจอมปลวกก็สู้หมูไม่ได้เป็นหมูดีกว่าพอเป็นหมูถูกหมาไล่กัดอไอหมูเนี่ยมันก็สู้หมาไม่ได้เป็นหมาดีกว่าแต่ว่าแต่ว่าเปลี่ยนเยอะนะฮะเปลี่ยนเยอะในการแสดงให้เห็นเต็งว่าจิตมันวิ่ง แล้วก็อยากเป็นนั้นเป็นนี่เป็นนู้นก็เป็นไปเรื่อยแหละแกก็รู้สึกเป็นสุขอะทีนี้พอรู้สึกเมื่อไม่เป็นอย่างที่ตัเป็นก็อยากเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยๆเพราะงั้นก็จะทรงแสดงให้เห็นว่าในที่นี้ในที่นี้จะทรงแสดงให้เห็นว่าพิจารณาเวทนาทั้งเป็นเป็นภายในภายนอกและจากนั้นก็จะดูที่ความเกิดความเสื่อมไปของเวทนา และปัญญาทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมของเวทนาจากนั้นสติของเธอที่มีความรู้สึกว่าเวทนามีอยู่นั้นที่จริงแล้วเนี่ยมันมีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อะไรนั่นเองเพื่อความรู้เพียงศักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นพอจิตมะถึงจุดหน่งก็ถ่ายถอนตัณหาเหมือนกันตันถอยถ่ายถอนตัณหามาหน้าทิฏฐิได้วยกัน แต่ว่าในอนัตตลักณ์สูตรจะทรงกระจายไม่ใช่อนัตตลักษณ์นสูตรแห่งเดียวนะฮะคือคือคืออย่างเนี้ยจะจะส่งกระจายเยอะก็รับสั่งว่าดูกรอภิกษุทั้งหลายเพรียดนั่นแลภิกษุทั้งหลายเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประนีตก็ดีอยู่ใกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีมันก็หมดเลยเกิถ้าอย่างนั้นมันหมดเลย ไปไขวยคว้าอนาคตมันก็เหมือนกันกับอดีตนั่นแหละเอาอดีตอดีมันก็เหมือนกันกับปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นเป็นบทตั้งเป็นตัวเทียบเคียงเออมันเหมือนกันหมดเลยเวทนาทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นแกเราแก่เทพแวดาแก่พรมแก่ะไรอะไรมันมันมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน้าตาขนาดไหนคนนึกตาก็ไม่ได้ยึดถือว่าเวทนาของเรามันเป็นเครื่องมือในการอาศัยระลึก ก็สัตว์แปว่าเวทนามันก็กลับไปความคิดเดิมนะฮะความคิดทีกายอ่ะกายนี้ก็สัตว์ไปว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลโรูปตนเราเขาก็เรียกกายานุปัสสนาอันนี้ก็เวทนานุปัสสนาก็อย่างนั้นทีนี้ต่อไปในจิตตานุปัสสนาพวกนี้เป็นเรื่องพวกทิตฐิพวกทิฏฐิจริตคือจะเข้าใจว่าจิตเที่ยงนะฮะเราจะเห็นว่าอจิตเที่ยงเนี่ยมันมีเยอะมาก ศา ส, สนาพระเจ้านี่ก็จิตเที่ยงนะครตัวเองไม่เที่ยงแต่พระเจ้านี่เที่ยงพระเจ้าเป็นนิยตะเป็นอ น, นันตะเป็นอนาทิเป็นสยามผูสยามผูคือเป็นเองพระเจ้าเราก็เรียกสยามภูแต่สัตธรรเองก็เราหมายความว่าสัจธรรเองแต่ก้อนเขาหมายความว่าเป็นเองเพราะจะให้พระวูเจ้าเป็นเป็นผลมันไม่ได้อ่ะ ถามพระเจ้าเกิดมาจากอะไรใครสร้างพระเจ้าถ้ามันมีคนสร้างหรือวถามว่าใครสร้างคนนั้นต่อใครสร้างคนนั้นต่อกันเรื่อยๆยุ่งเลยวันี้เลยบอกให้เป็นสยามพูดเลยเดี๋ยท่านเป็นก็ท่านเองแล้วก็ท่านเป็นของท่านเองด้วยแล้วก็เป็นเบื้องต้นของสิ่งทั้งหลายด้วยเป็นอนาชิคือท่านไม่มีเบื้องต้นแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยท่านแต่ท่านเป็นเบื้องต้นของสรรพสิ่งสรรพชีวิต เอาก็จริงไอ้สิ่งที่เป็นผิดผลของท่านมันไม่เชี่ยงเอาแต่พระเจ้าต้องเชียงเพราะพระเจ้าเป็นอนันตะคือไม่มีที่สิ้นสุดเป็นนิรันด์นิยะตะมีเชียงเลยแล้วก็ดํารงอยู่อย่างให้ชั่ว น, นิรันดร์แล้วก็มันก็อยู่ที่การคิดนะฮะก็เราลองสังเกตว่าแนวคิดตรงนี้มันก็ของพวกเราก็มาในแนวไหนนึกออกฮะ แนวของนิกายสุขาวดีพุทธเกษตรแนวมีอธิพุทธต้นเดิมของพระพุทธเจ้านี่มีอธิพุทธแล้วก็มีอมิตาภา พ, พุทธะมีอะไรอะไรเยอะเลยแล้วก็ทันนี้ก็แยกตัวเองมาก็บังเกิในโลกมนุษย์มันไปผสมกับเรื่องนารายอวตารเราจะเห็นเลยแล้วเขาไม่คิดว่าอยู่ทำอะไรล่ะเออ ไปอยู่ทำใหมที่สุขาวดีพุทธกเกษตรงานการก็ไม่ทำเห็นเป็นประโยชน์อะไรสวยสุขอยู่คนเดียวเห็นแก่ตัวมันไม่มีพุทธภาวะอยู่ภายในใจเราลองตั้งใจนะเขาไม่ได้คิดว่าเออถ้าท่านอยู่อย่างนั้นแสดงว่าท่านไม่มีกรุณาต่อ ส, นะสัตว์โลกเลยนะสัตว์โลกก็เดือดร้อนรบกันแทบเป็นแทบต า, ายอย่างนี่ยสงครามเกิดขึ้นสามจังหวัดภาคใต้ก็ไม่หยุดเออมันน่าจะไปช่วยเขามาั้ง ไม่เห็นดูดำดูเดียอะไรเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าขนาดพระญาติเตรียมจะทำสงครามเนี่ยปรากฏไปหยุดสงครามได้วิถุทาพระยกกองทัพไปจะทำลายสักยาวงพระเจ้าไปขวางไปองคุริมานเนี่ยถ้าไม่ไปขวางไว้จะฆ่าแม่แล้วก็เป็นนันดริกรรมแล้วก็ตกนะรกเวจีหมกไหมพระเจ้าไป เป็นกรรุณาแม้แต่พระคุยนอกเรื่องเนี่ยพระตั้งวงคุยกันนอกเรื่องเปี๋ยวพระเจ้าเสด็จละเป็นทีให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยก็กราบทูลเพรา ะ, ะรำปกติแล้วเขาเรียกว่าที่สันตาคารเนี่ยที่สาราประชุมเขาจะปูลาดอาสนะสำหรับพระอุทธเจ้าไว้ แล้วพระท่านอยู่ท่านคุยท่านอะไรอะไรกันเนี่ยแต่ถ้าท่านคุยเป็นเรื่องเป็นราวเข้าเรื่องเข้าราวเนี่ยก็ก็ไม่เสด็จหรอกแต่ถ้าเห็นจะออกนอกเรื่องแล้วก็มันเกิดปัญหาครับข้องใจสงสัยไม่แน่ใจพรุทธเจ้าก็จะเสด็จทีนี้ก็ก็ทําตัวเนี้ยก็ทำอะไรเราเห็นว่าแม้แต่อายตนานิพานที่ทางอัตมกายเขาเชี่ยกันอยู่เรียนนะ ถามวาให้จะมาไปอยู่อายตนนานิพพานออาไหมบอกจ้างยังไม่เอาเลยไม่ได้อยู่ทําอะไรชีวิตไร้สาระเนี่ยไปนั่งสวยสุขอยู่แล้วมันได้อะไรกันนะสุกคนเดียวนี่มันได้ไรขนาดกินคนเดียวยังไม่ได้สุขได้แล้วสเวสุยสุขอยู่คนเดียวมันได้ไปเยอะอะไรอันนี้คือคือเราจะเห็นว่าแนวความคิดตรงนี้มันมันจะ จะไม่ค่อยถามคำถามตัวเองเช่นว่าให้ให้อายุยืนยืนให้เงินทองไหลมาเทมาอย่างเงี้ยอายุยืนยืนหมืน่นหมื่นปีห้องเต้จีเนี่ยรับพอเนี่ได้ไมัรู้เท่าไหร่มันเป็นไปได้ที่ไหนเราอายุหมืนม่นหมื่นปีะข่าพออย่างงั้นคือเอเพอเจอ เป็นลักษณะเพอ้อเจอ้อแล้วก็ทนอยู่กับความเพอ้อเจอ้อไม่พยายามเข้าถึงความจริงเพราะจิตจิตเนี่ยมันมันจริงๆมันไม่เที่ยงพระเจ้าทรงแสดงว่าถ้าเธอคิดว่าจิตเที่ยงเนี่ยคิดว่ากายเที่ยงดีกว่าเพราะง่ายกายเขาอยู่ได้เป็นขณะนานๆต่อกันไปนะจิตมันเกิดดับทีเย็บเลยมนุษย์บูมไม่ทันอย่างที่บอกเนะ่ ที่สมุนแลพิธามก็นับว่าอะไรล่ะขณะจิตหนึ่งนี่เรียกว่ากี่กี่หมื่นโกดอะไรเนี่ยนะะก็ตัวเลขก็มากไปน่อยนะฮะนี่ก็ตัวเลขพระตถาจารย์นะฮะตัวเลขแบบนี้คือสรุปผมเกิดดับเร็วก็แล้วกันพอแล้วไม่ต้องไปคิดนับมันหลอกมันนับไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ ผูนี้จะเข้าใจว่าจิตเที่ยงโดยลืมไปว่าเมื่อเราเป็นส่วนแยกของผู้เชี่ยงเนี่ทําไมเราจึงไม่เชี่ยงอ่ะเหมือนกระเพาก้อนกระเผาออกมาเนี่ยแล้วทําไมมันไม่เหมือนกับแผน่นมันเหมือนกับตัวกับกับอันที่เราแยกมาล่ะเห็นไหมมันม่เหตุผลไลยเ อ, อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ เ, เกิดมาแล้วแก่เจ็บตายเอาเราก็ต้องแก่เจ็บตาย อันนี้เราแก่กจะตายกว่าเดียวเพราะแม่ไม่ได้แก่กจะตายมันเป็นไปไม่ได้ส่วนแยกแยกมาจากที่เดียวกันแล้วมันมันต่างกันได้ยังไงเพราะฉนพวกนี้จึงเป็นทิฏฐิจริตไปเข้าใจว่าจิตเที่ยงไปใหญ่เลยนะตรงนี้กลายเป็นศาสนาเป็จอชีพไป ไ, ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะสอนให้ดูจิตอจิตเนี่ยมันจะเหมือนกับผ้าขาวหรือเหมือนกับ น, น้ําที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีรูปอะไรเนี่ย แต่น้ำมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะว่าสิ่งที่ปลอมปนเข้าไปก็สมุนอภิธรรมที่เรียกว่าเจตสิกธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตก็กุศลธรรมะกุศลธรรมะปยาคตาธรรมะนะฮะกุศลบ้างกุศลบางกางๆบางแต่ว่าในทิตนี้ทรงสอนให้ดูในส่วนของ จิตที่ประกอบด้วยส่วนของสมุทัยกับส่วนของมัดหมายความว่าดูอาการกิเลสที่ปรุงจิตกับธรรมะที่ปรุงจิตเพราะบางระดับเนี่ยมันไปเข้าสู่เข้าสู่โน้นแล้วนะเข้าสู่กลุ่มนิโรธอะ แ, แยกเป็น ค, คู่รับสั่งว่าดูกรพิกูจ์ต่งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรเล่า จิตเนี่ยคือธรรมชาติที่คิดอารมณ์ธรรมชาติที่จําอารมณ์ไม่ใช่ธรรมชาติที่รับอารมณ์ธรรมชาติจําอารมณ์ธรรมชาติที่คิดอารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นอาการของจิตที่จําอารมณ์แล้วก็คิดอารมณ์ะคิดเรืองอะไรของอะไของราคาใกล้ๆก็เห็นคนเนี่ยคุณคิดด้วยอะไร คิดเรื่น้าขราคะคิรื่องหน้าของโลภะคิดเดราาื่นาของกรุณาคิดเรื่าของเบตาก็แล้วแต่ก็ให้รู้ตามความจริงจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตเรามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะแต่อย่าลืมว่าจิตมันต้องมีอะไรทักอย่างอนีนะะมันมันไอเป็นชุดอย่างนี้ก็เราก็ดูเป็นชุดพูดสรุปก็คล้ายๆเวทนานั่นแหละ คือหมายความเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเกิดก็วเวญนาข้ออื่นก็ไม่เกิดเพราะงั้นเบทนาข้อไหนเกิดก็ดูมข้อนั้นแนหะที่การเรียงด้วยอักษรเนี่ยการเรียงในการพูดแน่นอนต้องเรียงแต่เวลาเกิดมันมันไม่ได้เกิดอย่างนี้หรอกมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่อะไรจะเกิดเกิดอะไรก็ดูมันตาม น, นั้นเนี่ยตามความเป็นจริงทีนี้ก็สรุปว่าถ้าจิตเป็นกุศลก็พยายามประคับประคองจิตไว้ ถ้าจิตเป็นอกุศลก็พยายามข่มพยายามลดไฟจางให้คลายให้บรรเทาลงไปทีนี้ถ้าจิตมันมั น, ม, นมันเป็นบางอย่างคือมันหดหู่ก็พยายามดึงขึ้นมาก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่สรุปว่าถ้าอยู่กุศลก็พยายามรักษาประคับประคองแล้วก็เพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นไปตามอะไรตามแนวของ สัมมาวยามะอย่างที่พูดไว้ในวันก่อนเราจะเห็นว่าชัดจเจนว่าธรรมะสามข้อคือสติสัมปัญญาความเพียรทำงานด้วยกันในการละก็ต้องใช้สัมมาวยามะในการประคับประคองเราต้องใช้สัมมาวยามะในการรักษาวายก็ใช้สัมมาวายามะเพรนี้ก็ระลึกรู้วินิจฉัยและคนที่ทำงานก็คือ สาวัมะแต่ว่าตัวประคับประคองก็คือสติกสัมปชัญญะราคาคือจิตที่เนืยมนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่ตนกำหนัดก็หมายความมันโลบด้วยนะฮะโลบไม่ได้แสดงทำไมไม่แสดงคืออย่าลืมว่าตอนนี้เทศเทศเทศสอนพระเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าสอนพระแล้วก็ใช้ราคา ถ้าสมโยนจะใช้โลภะแต่อย่าลืมมาราคะก็คือโลภะไอจุดที่เป็นตัวกระตุ้นให้เรียกชื่อเนี่ยมันต่างกันตอนนั้นเองหมายความอาเช่นเช่นช่นเรามองคนเดียวกันเนี่ยแต่มองต้องการที่จะครอบครองมันก็เป็นโลภะแต่ถ้ามองในทางเพศมันก็เป็นราคะก็แล้วแต่ แล้วจะมองแต่สรุปเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาตัวเหมือนกันทีนี้จิตปราศจากราคะาอาการไม่มีราคะอาจจะมีกิเลสอย่างอื่นหรืออาจจะมีธรรมะอย่างอื่นแต่สรุปว่าจิตมันไม่มีหรอกที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งอย่างที่มีเดือนก่อน่ะกี่เดือนนะที่มีการถามเมื่จิตว่างเนี่ย มันเป็นสำนวนเฉยๆคือเราเราหาเรื่องทะเลาะกันเฉยๆะนะฮะพู้กง่ายอย่างเงี้ยคือเราต้องรู้ข้อความข้างต้นมันซืมเนื่องจากข้อความข้างต้นว่าท่านพูดว่าจิตว่างจงทำงานทุกชนิดโดยจิตว่างว่างด้วยอกุศล น, นะฮะ เพราะจิตมันไม่ว่างเราไม่เป็นกุศลก็อกุศ ล, ลนั่นก็เป็นอภิญากฤตนะเป็นพระยาผุโคนไปก็เป็นโลกุตระกุศลก็ก็ก็ ก, ก็ไม่ว่างอแต่ว่างจากกิเลสว่างจากตัณหามาณทิฏฐิคืออย่างนี้ว่างอย่างนี้ว่างจากความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรา มันก็แสดงว่าจิตต้องมีตัวปรุงอะไรก็ไม่รู้แหละก็แล้วแต่ตามที่เราเห็นในขณะนั้นก็ดูขั้นการจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตเรามีโทสะโทสะคือความคิดในทํานองปรททุสรรยอย่าลืมตอนนี้พูดเรื่องคิดนะผู้เรื่องคิดจิตจิตเป็นยังไงในขณะนั้นดูเฉพาะที่มันเป็นในขณะนั้นก็แล้วแต่ ก, ก, ก็ก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัย ดูเท่าที่มันปรากฏอะไรปรากฏก็ดูมันอย่างนั้นแต่วิธีการก็เราก็คือถ้าส่วนกิเลสก็คือพยายามลดความเข้มข้นลงไปให้จางไปคลายไปบรรเทาไปมันก็คล้ายๆครับสัมมาสังกัปปนะน่ะคือฉลาดในในรปิตกบทเราดูที่ความคิดของเร า, คว า, ค, เราความคิดของเรามันเอิญไปทางไหนล่ะเออคิดอย่างนี้กิเลสที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้น ก็หยุดมันจะคิดนะทีนี้บางอย่างเนี่ยมันคิดไปแล้วธรรมะที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นก็คิดต่อเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นวิธีการในการแสดงของพระพุทธเจา้าเขาเรียกเป็นโวหาระเทศนาเป็นเป็นวิธีที่สลากหลายด้วยโวหารคือถ้าเราไปดูในพระสูตรที่สองในเล่นนี้นะในในมูลปัญนานีย มันควแสดงหลักการปฏิบัติไว้เจ็ดเจ็ดข้อเจ็ดวิธีด้วยกันแต่ว่าใช้ตัวตัวอยู่ในสมริกาตัวปัญญาเนี่ยเป็นหลักหมายความว่าตัวอารมณ์เนี่ยพูดพูดง่ายว่าอารมณ์มันเป็นอะไรช่างมันแต่คุณคิดยังไงแต่นี้ดูผลกระทบว่าถ้าคิดแล้วกิเลสเพิ่มเนี่ยก็ ไม่ต้องคิดมันถ้าคิดแล้วธรรมะเพิ่มไม่รู้อะไรก็ได้ก็ให้คิดต่อก็ใช้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแบบโยนิโสมณิการเนี่ยเป็นละโยนิโสมณิการก็อีกแหละมันก็คือสัมปชัญญะใช้สติสัมปชัญญะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะ เม่ะเป็นจิตประเภทงมงายไร้เหตุผลไร้สาระที่ออกมาด้านความคิดเนี่ยมันจะหนักไปในทางคิดฟุง้งหรือไม่แน่ใจเครือแปรงสงสัยไม่แน่ใจปัจจัยเชื่อลงไปไม่ได้ก็แสดงเป็นอาการของโมหะซึ่งพวกนี้ไปเปไปถึงกูดึงเราจะแค่ๆกัจะยกยอดไปอยู่ที่ธรรมะหมดเลย เราจะเจอที่ตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็บอกว่าจิตโหดถูโหดทูเนี่ยขเขาเรียกหลีในจิตคือจิตมโนหดทูเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะเกิดทีนามิทะคือความงวงเงาเห้านอนเสื่องซึมน้อยเงาเมือลอยจนถึงกับหมดอะไรแต่อยากเป็นลีในจิตคือจิตมโนหดถู บางครั้งเรนนี่แรงนะความคิดแรงน่ากลัวพอเก็บกดมากๆไว้วันก่อนอะไรดูข่าวเข า, าสอนวิ่งมันเกิดอาการเครียดโปรหูมากแล้วมันเครียดไนะยิงลูกยิงเมียยิงตัวเองตายหมดเกลี้ยงทั้งบ้านหละพวนี้เลยแรงนะพันจีโดดูจย่าปล่อยหดูต้องปุก ปอบให้เกิดความกล้าหารคึกเขิมเชื่อมันอย่าปล่อยให้มันเสงฮะอย่าปล่อย้มันเสงภิกษุรูปหนึ่งท่านต้องอาบัติอาบัติที่แสดงได้นะทำคืนได้แต่ท่านถือเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นจะตายเอาให้ได้เลยหมดอะไรตายอยากแล้วไม่ไม่ไ ม, ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้แล้วก็นั่งซึมเหมือลอย ไปเจอไอ้ไอ้โคมาลากเกวียนนะฮะแล้วมันขึ้นเนินสูงปรากฏว่ากขึ้นเนี่ยแล้วถอยกลับขึ้นถอยกลับขึ้นถอยกลับอยู่หลายครั้งด้วยกันเจ้าของก็ตีบ้างช่วยผลักดันเกวียนบ้างอะไ ร, ไรก็ในสุดขึ้นได้ ก, ก็เกิดขึ้นมาเลยเอ้ยสัตว์เดืสารเนี่ย มันแพ้ซ้ำซากมันยังสู้จุดชนะได้เราแพ้ครั้งเดียวจะยกธงขาวเลยเลยฮึดสู้เลยกลับไปทํานะตัวเองให้บริสุทธิ์จากอาบัต์ลุยขึ้นป่าปฏิบัติประเพียงเพียงมารู้มรรคผลเลยนะเพฝันจิตจะปล่อยหดหู่อย่าปล่อยให้เส่งอย่าไปซ้ําเติมตัวเองคิดซ้ําเติมตัวเองแล้วก็จะยุ่ง จิต่ตรงนี้ที่จริงก็คือ on, นะะิวรณ์นะครับโป๊นมิทันิวร์แต่บตัวเหตุให้เกิดไปออกมาเป็นรูปอาการนะครบกัมธีน่ะกัมมิทัะทีนี้ถ้าจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็เป็นอาการของของโมหะนั่นแหละคือจิตตามปกติแกฟุ้งซ่านแกสัตสายแกเล่นไปในรูมต่างๆแกไม่นิ่งอ่ะ ต่นอุ ป, ปมาเมื่อกลิง่งเหมือนกันน้ำบนใบบัวเนี่ยกลิ่งไปกลิ่งมาไม่เนีง่งเหมือนธงปลายเสาก็ต้องดูที่ตัวพุ่งพุ่งไปเรื่องอะไรเออถ้าคิดพล่านไปแต่ว่ามันคิดเรื่องดีๆก็ไม่ว่าอะไรนะควบคุมทิศทางให้ดีก็แล้วกันแต่ถ้าพุงสั้นในเรื่องที่ไร้สาระจับจั บ, จ, บจดจดเอาไม่ได้สักเรื่องน่ง มันก็ต้องพยายามทําให้จิตมันสงบไอ้จิตฟุ้งซ่านเนี่ยก็เรียกว่าเจตสุภูปสมะคือจิตไม่ยอมนิ่งไม่ยอมจับอยู่ในที่ใด ท, ที่หนึ่งก็พยายามให้แกนิ่งพยายามกํากับควบคุมให้แกนิ่งตรงนี้เป็นอกุศลนะฮะตรงนี้เป็นอกุศลทีนี้จิตที่เป็นมหากตะก็หมายความว่าจิตที่เป็นสมาธิมันสงบ ปูกความพงุ่งชันได้ไอ้ตัว น, นี้ประคองไว้แล้วก็พยายามทาทาให้สูงขึ้นไปแต่จิตมีทำอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีทำอื่นยิ่งกว่าเขาเรียกว่าอุต ร, รจิตจิตที่มีทำอื่นยิ่งกว่าก็หมายความว่าจิตที่ยกขึ้นสูงเหนืออำนาจของกิเลสน่ก็ตัว น, นี้ ก็ประครับประคองไว้แล้วทีนี้บางทีเนี่ยจิตมันก็ตามลดตามลงมาเราก็ก็ดูมัน เ, เป็นลักษณะของอกุศลหรือกุศลแล้วดูไปไปไปอย่างเงี้ยคือคือสรุปว่าถ้าเป็นกุศลเราก็พยายามประครับประคองไว้ถ้าเป็นอกุศลเราก็พยายามข่มพยายามลดพยายามกำลาบปราบปรามพยายามบรรเทา จนกว่าจิตมันจะเดินไปในกระแสที่ที่ถูกต้องซึ่งในภาคสนามเนี่ยเราก็ไม่รู้อันไหนมันจะเกิดก่อนเกิดหลังหรอกก็สรุปว่าดูท่าที่ปรากฏทีนี้จิตตั้งมั่นคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไอตอนนี้เป็นเป็นกุศลน ะ, ะเป็นเป็นสมาธิ สมัยตังต้งจิตตั้งคือจิตที่ตั้งมัน่นเราแสดงเป็นกุศลก็ประคองจิตเอาไว้กับกุศลให้อยู่นานๆแต่แน่นอนเราประคองจิตในสมาธิมันก็อยู่เฉพาะในช่วงสมาธิพอเราออกมารับอารมณ์แก่ก็ไปต่อตัวนี้ก็ยังไม่แน่ทั้งนั้นนะฮะัามทั้งหมดยังไม่แน่ทั้งนั้นทีนี้ถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นจิตแกวงแกวงเพราะอะไร ก็แล้วแต่ก็สรุปว่าแหว่งมันก็เป็นอาการกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งแหละความฟุ้งซ่านความซักสายซัดสายความไม่สงกบการพลั้นไปของจิตเราลองสังเกตน ะ, ะจิตจิตการวิ่งของจิตแนวหนึ่งมันจะเป็นแนวดิ่งไปเลยแนวพวกราคะพวกโทสะเนี่ยจะดิ่งะฮะแต่แนวแนวฟุ้งซ่านกับแนวสงสัยนี่จะสาย ไปโน้นไป น, น, ไปนี่ไปนั่นอาวุธไปหมดเลยจับทางไม่ถูกแล้วก็สงสัยก็เหมือนกันนะฮะสงสัยก็เหมือนกันก็วิ่งไปนั้นวิ่งไปนี่วิ่งไปนั่นติดมาไม่นิ่งถ้าเราเทียบถึงถึงคลื่นซัต์เนี่ยลมพัดเนี่ ย, เ, ยเราจะเห็นว่าแนวพวกไอ้นี่ยมันเหมือนกับอะไรทอร์นาโดนะไอ้พวกอุอทธัจจะกับวิจิเกชานี่เหมือนคล้ายทอร์นาโด หมุนพล่านไปหมดเลยวาดหมุนของเราก็เรียกอะไรล่ะปายุพายุหมุนพายุหางหนูอะไรเนี่ยได้กันแหมุนหมุนทีนี้ก็บอกว่าถ้าจิตหลุดพ้นเป็นมิมุตตะจิตทีนี้อหลุดพ้นก็อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าห ล, ลุดพ้นที่จริงก็เกิดญาณเองเนะถ้าถ้าหลุดพ้นระดับพอกผลนิพพานญาณก็เกิดเองแต่ทีนี้พูดถึงหลุดพ้นจากกิเลสระดับ ระดับหนึ่งระดับของการปฏิบัติโดยสมาชิกเนี่ยมันหลุดพ้นจากกิเลสก็แนววิขำพนะบิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยการกดไว้สยบไว้หรือบรรเทาไว้หรือข่มไว้ก็สรุปว่าไอ้สองประเภทเนี่ยแต่ทางกับวิมุตกับวิขำพนะบิมุติเนี่ยก็ดูให้รู้แล้วก็ประคองไว้นี่พวกนี้เป็นกุศลมันอยู่ในขอบข่ายของของนิโรธ จะหลุดพ้นจริงๆต้องไม่กำเริบจึงเป็นนิโรธแท้ตีจิตมาหลุดพ้นก็ต้องรู้ว่าทำไมจึงไม่หลุดพ้นปฏิบัติมาตั้งนานแล้วก็ใจไม่สงบก็พยายามที่จะดูแล้วก็สืบสาถึงสาเหตุแล้วก็พยายามแก้ไขทีนี้ก็รับสั่งรับสั่งอยู่เนี้ยเราจะเห็นว่าป็ น, เ ป, นเป็นคู่คู่ ค, ค, คู่มาเรื่อยนี่ย ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบ้างนะจิตภายในก็คือจิตเราจิตภายนอกก็คือคนอื่นเอ้าวนางก็หยาบหยาจิตภายในคือจิตที่มันปรากฏในขณะนั้นจิตภายนอกก็คือจิตที่จะปรากฏในขณะอื่นหรือเคยปรากฏมาแล้วจิตที่เกิดเคยปรากฏในอดีตหรือจะปรากฏในอนาคต ก็มันอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือไม่นิ่งอาการไม่เที่ยงนี่ชัดเจนนะฮะอาการไม่เที่ยงนี่ชัดเจนแต่พอาีกระแสจิตมันไหลมันไหลคล้ายๆกับกระแสน้ำกระแสลมกระแสไฟเนี่ยมันไหลไปก็เรียกว่าสันตติคือมันไหลต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆติดเป็นคิดอารมณ์ไปเรื่อยๆก็มันพราะในการสาคัญว่าจิตเที่ยงเนี่ย มันก็เกิดขึ้นจนกลายเป็นอุปาทานคือถ้าถ้าเราถามจริงๆอย่างวันก่อนที่ ท, ที่เด็กเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยอาถามาเธอว่าเธอรู้ไหมว่าเสียยม่ใจเทพประบุรจะมีบริวารเท่าไหร่ในหนังสือมาลัยเทวเทศเขาบอกว่าอย่างไงฮะสีโกดกับสี่เ บริวารของพระศียยเมตใจบรมโพธิสัตว์มีบริวารร้อยหกสิบโกรร้อยหกสิบล้านร้อสิบล้านล้อมอยู่ด้านหน้าเนี่ยสี่โกรธด้านข้างซ้ายขวาสี่โกรธด้านหลังสี่โกรธโอ้มานหน้าอึดอัด น, นะคนล้อมเต็มไป ห, หมดเลยแน่นเย็ดไปหมดเลยอ น, นี่ตรงนี้มันก็ไม่น่าเชื่อเอาคนมาจากไหนเกิดมากมายกับกองเง้น อันนี้ก็คือคือเราจะเห็นว่าถ้าแนวจิตเที่ยงเนี่ยเราจะไม่เคยคิดมันเกิดภาวะจุดหนึ่งคือยอมจำนนทีนี้อย่าลืมว่าการที่เห็นว่าจิตเที่ยงเนี่ยแ น, น่นึงก็คือว่าคนเราเกิดมาเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีการจุติแปรผันทีนี้ยุ่งเพราะว่าแกจะไม่ละชูบปประพฤ ด, ดีเพราะไอาการละชูบระพฤตีไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเลย เช่นว่ญญาแกเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแกแกแ ก, ก็เป็นมนุษย์ฐานะแกจนแกก็จนฐานะแกรวยแกก็รวยเห็นนหะปัญหาจากจิตเที่ยงอย่างเดียวมันยุ่งรุงรั ง, รงพันเตนไปหมดเลยนะฮะแล้วจิตขาดสูตรก็ยุ่งเหมือนกันนะปุเฉศทิฏฐิก็ยุ่งเหมือนกั น, นะ เ, กกนเพราะพวกนี้จะไม่รับผิดชอบอะไรคนเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวนะความคิดขนาดนี้อันตรายนะฮะ ความคิดว่าคนเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวเนี่ยอันตรายแก๋จะไม่รับผิดชอบปัจจุบันแกจะไม่รับผิดชอบอนาคตนึกอยากจะทำอะไรแก๋ก็ทำอ่ะไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยเพราะไม่ไมเชื่อบาปบุญบุญโทษพาะปัญหาใหญ่ภายในบ้านเมืองเนี่ยภายในโลกนะฮะที่จริงภายในโลกว่าจากใดที่เราไม่ย้อนกลับเข้าไปสู่หลักการที่ถูกต้อง ก็ไม่รู้แหละคุณคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็นับถือไปแต่ว่าการใดก็ตามที่นําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองมาสู่บุคคลอื่นหรือสู่บุคคลอื่นพวกเดียวหรือสู่อสู่ตนเองอย่าทำเพราะอย่างเด็กๆที่แกอารวาสอยู่แถวภาคใต้เนี่ยขึ้นด้วยความรู้สึกนยมาไปมาสามครั้งรู้สึกสงสารนะ ยังไม่รู้สึกโกรธแต่รู้สึกสงสารกัจังไอเด็กพวกนี้มันเกิดมาไม่กี่วันเนี่ยมันสร้างบาปขนาดนี้แต่อยู่นานๆนี่ยแกสร้างบาปขนาดไหนแล้วตายไปเนี่ยแกจะทุกข์ทรมานขนาดไหนจะตกนรกหมกม่านอยู่กี่กับกี่การโอ้โหน่าสงสารเด็กเหล่านี้นะฮะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดนะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเราก็ติดต่อเขาไม่ได้สมมติว่าเรารู้เราก็พูดอะไรเขาไม่ได้นะเพราะเขาไม่นับถือพระ เมือก่อนตอนสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกลับจากนราธิวามีคนไปส่งเสด็จที่สนามบินคือตื้นตันใจที่เห็นผู้หญิงอิสลามคนหนึ่งก้มลงกราบที่พื้นกราบที่ประบาทโอกาสทิสลามแสดงอย่างนี้นี่ยากมากๆนะแต่เขากราบคือแสดงว่าอยู่ภายในจิตใจของคนส่วนใหญ่แล้ว แต่คนที่จะทำก็ยังไม่ได้คิดอย่างนี้ยไม่ได้คิดคุณอุปการของของสถาบันประมากษัตร์ซึ่งมีล้นกล้าวล้นกระหม่อมดหวือเกินนี่ก็อยู่ที่จิตคิดอีกอ่ะต้องฟังทั้งหลาเสียงธรรมจากมหาอุจลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจะเริญงอกงามไผ่บุญในธรรมจงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทบกันสวัสดี